วันนี้เป็นวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567เป็นวันตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระวันธรรมสวรนระ วันฟังธรรมเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทมให้ได้หยุดการทำงานทำการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลามาให้กับการพัฒนาจิตใจให้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมวิธีการพัฒนาจิตใจว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรแล้วก็ให้เอานำเอาไปปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ให้เอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นของวันนี้ไปจนถึงวัน พรุ่งนี้ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจะได้ครบเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเป็นเวลาที่สาธุชนควรจะเอามาใช้ให้กับการพัฒนาจิตใจยกเว้นเวลาที่หลับหลับก็ไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไป ให้นอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพราะการที่จะได้รับได้รับผลจากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจนี้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเป็นเหมือนกับการที่จะให้เครื่องบินนี้ ทียนขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เครื่องบินต้องมีรันเวย์มีทางวิ่งที่ยาวพอถ้ารัรนเวย์และทางวิ่งนี้สั้นไปก็จะไม่สามารถส่งเครื่องบินให้ทียานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ฉันใดผ้ารันเวย์ของการปฏิบัติสติมันสั้นไป การที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตรวมเป็นฌานขั้นต่างๆนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเริ่มตั้งแต่พอลืมตาขึ้นมาในของวันนี้ก็เริ่มตั้งสติไว้เลยจเจริญสติด้วยการ ใช้กรรมฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ง ม, มีกรรมฐานหลากหลายวิธีด้วยกันแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนก็เป็นวิธีที่ง่ายๆสาหรั บ, บผู้ที่เริ่มต้น<ม>คือให้เจริญพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ให้ว่าพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้ขอหยุดคิดหนึ่งวันขอปิดใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครหนึ่งวันให้ใจเข้าสู่ข้างในให้ใจเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนั้นแหะเป็น สุขที่สูงสุดเป็นสุขที่สุดยอดของโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสุขได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบและการที่จะทำจิตให้สงบได้จาเป็นต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้เผลออย่าปล่อยให้คิด พอรู้ว่าคิดพอรู้ว่าไม่ได้อยู่กับพุทธโธก็กลับมาอยู่ที่พุทธโธ ท, ทันทีการเจริญสตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งเฉยๆเพียงอย่างเดียวอันนี้การเจริญสติหมายถึงให้เราเจริญในช่วงที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เ่นพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องลุกขึ้นมาพอเราลุกขึ้นมาเราก็พุโทโธพุธโทโธตามไปพอยืนก็พุโทโธพอเดินก็พุโทโธ <c oughs> พอไปทํากิจส่วนตัวก็พุโทโธพุทโธไปจบน้ําล้างหน้าแปรงันก็พุโทโธไปควบคู่กันไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขอปิด ประตูบ้านของใจไม่ให้ใจออกนอกบ้านหนึ่งวันให้ใจอยู่ในบ้านให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ได้ถ้ามีการกระทาอย่างนี้ตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทาอะไรต่างๆก็จะมีสติที่ต่อเนื่องและจะสามารถที่จะ หยุดความคิดปรุงแต่งได้ตอนที่จเจริญสตินี้ก็อาจจะยังมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาแทรกเข้ามาเรื่อยๆเพราะสติของเรานั้นคงจะไม่ได้มีอย่างต่อเนื่องจนไม่มีช่องว่างให้กับความคิดเลยก็อาจจะมีการความคิดเข้ามา <traditionally. S 1> แล้วก็มีการจเจริญสติสลับกันไปสลับกันมา แต่ความคิดก็จะไม่ยืดเยื้อไม่ยาวไม่เป็นเรื่องเป็นราวพอรู้ว่าเผลอรู้ว่าคิดไม่ได้พุทธโธก็กลับมาพุทธโธพุทธโธต่อพอรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดคิดกลับมาพุทธโธพุทธโธต่อทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราสามารถที่จะมานั่งเฉยๆได้นั่งสมาธิได้ เราก็มานั่งหลับตาจะนั่งในท่าไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ท่าที่นั่งได้นานได้ดีที่สุดก็คือท่านั่งขัดสมามขวขาทับซ้ายแต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็นั่งในรูปแบบอื่นก็ได้นั่งมุนเก้าอีอนั่งมุนขอบเตียง <c oughs> ก็ได้ ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งเพียงอย่างเดียวความสำคัญอยู่ที่สติว่ามีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรือไม่นี่แหละเป็นตัวสำคัญถ้าเราเริ่มพุโทโธมาตั้งแต่ลืมตาหลังจากที่เราเสร็จภาระหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเรา ทำน้ำล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารถ้ามีความสะอาดอะไรต้องทําก็ทําไปพอไม่มีอะไรต้องทําแล้วก็มานั่งสมาธิกันถ้าเรามีพุโทโธมาตั้งแต่ตื่นเนี่ยมันก็จะพุโทโธต่อไปได้เลยเวลาที่เรานั่งถ้าเรานั่งนิ่งๆเฉยๆพุโทโธก็จะมีการต่อเนื่องได้มากขึ้น เพราไม่มีอะไรมาหนึ่งให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเร่องนี้ถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆความคิดก็จะน้อยลงไปเบาลงไปความรู้สึกว่าใจเริ่มเย็นขึ้นเริ่มสบายขึ้นเริ่มสงบขึ้นก็จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะที่กําลังนั่งสมาธิ ทำบริกรรมพุทธโธพุทธโธให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทธโธอย่าปล่อยให้พุทธโธหายการที่คิดว่าพุทธโธหายแลแ้วแปลว่าใจว่างใจสงบนั้นไม่ยังไม่ใช่เป็นความจริงถ้าพุทธโธจะหายต้องหายตอนที่จิตรวมเข้าสู่ความสงบ ต, ตอนที่จิตรวมมักจะเป็นในอาการรู้สึกว่าตกจากที่สูง ตกลงเหวอะไรทำเนานี้พอถ้าเจด อ, อาการแบบนั้นนะ่ะพอเกิดอาการร่วงตกจากที่สูงมาแล้วแล้วก็สงบนิ่งไม่มีความคิดอะไรนะไม่มีพุโทโธแล้วแต่นั้นจิตก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับตัวรู้หรือผู้รู้มีผู้รู้อยู่ตามลำพังมีอุเบกขาให้ความอิ่มให้ความสุขแก่จิตใจ อันนี้แหละคือผลของการนั่งสมาธิเราต้องการให้จิตไปถึงจุดที่อิ่มตัวคือจิตที่มีอุเบกขาจิตที่จิตรวมตัวสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้น<ม>ก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าิง ถึงแม้จะมีอาการอะไรแปลกๆปรากฏให้เห็นเป็นภาพก็ดีเป็นเสียงก็ดี<ม>เป็นอะไรก็ดี<ม>อย่าไปสนใจมันเป็นของปลอมของหลอก<ม>เรียกว่ามายามาหลอกอก็ให้จิตใจเสียสมาธิไม่ให้เกาะติดอยู่กับพุทโธ ม, มันจะมาหลอกล่อดิมใจให้ออกจากพุทโธให้ได้ เพราะถ้าออกจากพุโทโธแล้วไปตามรู้กับอาการต่างๆใจก็จะไม่สามารถรวมเข้าสู่ความสงบได้ไม่สามารถเดินเข้าสู่ความสงบต้องอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาจะเป็นรูปก็ดีน่ารักหรือน่ากลัวก็ไม่ต้องไปสนใจ มันเป็นภา พ, พยนตร์เหมือนดูภา พ, พยนตร์ภา พ, พยนตร์มันสิ่งที่อยู่ในในภา พ, พยนตร์ไม่สามารถมาทำให้คนดูเป็นอะไรไปได้ดูภา พ, พยนตร์เขาฆ่าฟันกันหรือเขาจะวิ่งออกมาจากนอกจอมาทิ้มแทงเราเขาก็ออกมาไม่ได้เขาก็อยู่ในจอภาพของภา พ, พยนตร์จิตเราก็เป็นเหมือนจอภา พ, พยนตร์จอหนึ่ง แล้วก็มีการฉายภาพยนตร์มาหลอกจิตเองแล้วทำให้เกิดความรักความชางังความหวาดกลัวขึ้นมาต่างๆานานา<ม>เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของใจเพราะว่าไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน<ม>พอมาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็คิดว่าเป็นของจริงขึ้นมากลัวขึ้นมา ทำใหไมไ่กล้านั่งต่อไปก็มีอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอาการของจิตเป็นวิบากกรรมถ้าถ้าเป็นบุญมันก็จะสร้างภาพหรือสร้างอาการที่น่าดูน่าชมให้เราได้รับรู้ถ้าเป็นบาวิบากกรรมของบาปมันก็จะสร้างภาพที่น่าหวาดกลัวหวาดเสียวต่างๆขึ้นมา แต่ขอให้รู้ว่าเมอนเป็นภาพเราผู้นั่งสมาธินี้เป็นผู้รู้คือใจไม่มีอะไรสามารถทำร้ายทำลายผู้รู้นี้ได้เป็นเหมือนกับคนดูภาพยนตร์ไม่ว่าภาพยนตร์จะน่าดูน่าชม น, น่าเกลียดน่ากลัวอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากนอกจอเพื่อมาทำทำร้ายผู้ที่นั่งดูในในโรงภาพยนตร์ได้ ให้รู้ไว้ไม่ต้องกลัว uh huh. พิจารณาลงไปที่ตายรับหรือ uh huh. ถ้ามีสติรู้ทันก็รีบดึงกลับมาให้เราเผอแล้วเว้ยไม่ได้อยู่กับพุทธโธแล้วกลับมาที่พุทธโธรเร็วๆ uh huh. พอกลับมาพุทธโธได้ปับ๊บนยงนี้ uh huh. เดี๋ยวภาพหรืออาการอะไรต่างๆก็จะหายไปอาจจะเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ uh huh. อาการรู้สึกว่าร่างกายพองขึ้น พองขึ้นหรือหดลงหดลงอันนี้มันเป็นอาการปุงแต่งของใจทั้งนั้นของจิตทั้งนั้นที่มันจ ะ, ละหลอกเราเพราะเราเผลอสติเราไม่รู้วิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่าเราต้องไม่เผลอสติเราต้องมีกรรมฐานคอยกํากับใจมีพุทธานุสติคอยกรรมกับใจอยู่ทุกขณะ ถ้าเราอยู่กับกรรมฐานอยู่กับพุทธานุสติอยู่กับพุธธบพโทโธแล้วอาการต่างๆนี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เพราะมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งสังขารตัวที่คอยจะสร้างอาการต่างๆขึ้นมาหลอกใจนั่นเองฉะนั้นถ้านั่งแล้วเผลอแล้วมันเกิดมีอาการอะไรแปลกๆนะ น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวน่ายินดีน่าชมก็อย่าไปตามมันอย่าไปสนใจขอให้รู้ว่ามันเป็นภาพหลอนภาพหลอกเป็นมายาเป็นภาพพยนไม่ใช่ของจริงมันไม่มีความสามารถที่จะทำทำร้ายใจใผู้นั่งสมาธิอยู่ได้ให้ทำความเข้าใจอย่านี้สาเหตุที่คนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันก็เพราะ ไม่ได้ศึกษาก่อนไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้จากผู้ได้ผู้ปฏิบัติผู้มีประสบะการณ์ก่อนพอรู้เพราะพอรู้ว่าภาพเหล่านี้มันเป็นภาพหลอนภาพหลอกไม่ใช่ของจริงไม่มีอะไรที่จะต้องหน้ากลัวไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องกลัวมันแต่อย่างใดหรือบางทีก็ไปหลงไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา มันก็เป็นการปรุงแต่งหลอกว่าอันนี้เราเป็นเทวด า, าเท้ามาหาพรหมหรือเป็นอะไรกลับมาเกิดใหม่ขึ้นมาอันนี้แหละพวกที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันไปหลงนิมิตไปหลงภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติไปหลงคิดว่าเป็นเจ้าชายเจ้ากษัตริย์ในายพกกร กลับมาเกิดใหม่บ้างจะเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอะไรกลับมาเกิดใหม่เป็นพระอริยบุคคลอะไรกลับมาเกิดใหม่ mm hmm. พวกนี้เป็นพวกที่หลงเชื่อหลงเชื่อมายาของใจที่ตลิดเหตุการณ์ต่างๆมาหลอกใจโดยไม่รู้สึกตัวคน mm hmm. นี้ไม่เคยศึกษาวิธีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้า ที่ให้ปฏิบัติสมาธิด้วยการมีกรรมฐานคอยกำกับใจและเป้าหมายของการปฏิบัติสมาธิก็เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่เอกคัตตาลมที่เราเรียกว่าขั้นรูปฌานขั้นที่สี่อันนี้ตัางหากคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมแต่ระหว่างทางนี้ก็อาจจะถูก กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาหรือวิบากกรรมของตนนี้มาสร้างภาพหลอกภาพหลอนขึ้นมาสร้างอาการหลอกอาการหลอนขึ้นมาได้ถ้าไม่รู้วิธีการปฏิบัติก็อาจจะถูกมันหลอกไปได้อย่างในวงค์ปฏิบัติเคยได้ยินได้ฟังว่ามีสามเณรรูปหนึ่งนั่งสมาธิไปแล้วปรากฏมี ดวงไฟโผล่ขึ้นมาในใจ mm. ก็เลยเปลี่ยนจากกรรมฐานมาดูดวงไฟมาตามดวงไฟไปดวงไฟพาไปไหนก็พาก็ตามไป mm. พอมาลืมตัวลืมตาขึ้นมาอีกทีอ้าวไปนั่งอยู่บนต้นไม้ใช่ล้ mm. อันนี้ก็เพราะนั่งแบบไม่มีสติยึดเหนี่ยวจิตใจพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตในใจก็ เผลอตามตามรู้ตามติดตามอาจจะเห็นเพราะว่ามันน่าน่าชื่นชมน่ายินดีคิดว่าเป็นของจริงที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตเวลาที่ไม่มีกรรมฐานไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานเท่านั้นเองมันก็หล่อให้ตามไปตามรู้ไปตามรู้ไป พอมาลืมตาขึน้นอีกที่ิด่าอยู่นั่งนั่งอยู่ที่เดิมเปล่าหรอกไปนั่งอยู่บนบนกิ่งไม้อันนี้นะในเรื่องของการปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าวิธีที่จะปฏิบัติกับปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเราอาจจะเรียกว่านิมิตกันปรากฏการณ์ต่างๆในขณะที่นั่งสมาธิว่าต้องปฏิบัติอย่างไร แต่ถ้าได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในทางด้านเท่าฌานท่านจะบอกว่าให้ปล่อยหมดอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจให้กลับมาหากรรมาฐานที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเราทันทีสแสดงว่าเราเผลอแล้วเราไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้ควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าเราไม่มีการควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่ง ใจก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะถูกทั้งฐานความคิดมุงแต่งนิสร้างนิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจได้ก็ยาถ้าอาจจะถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะหลงเชื่ อ, อทางที่เราคงได้ยินคนที่ปฏิบัติธรรมว่าได้ได้ชั้นนั้นได้ชั้นนี้หรือได้ได้ะลึกได้กลับมาเกิดอคอยเป็น เทวดาเคยเป็นพรหมเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นมหาเศรษฐีเคยเป็นอะไรต่างๆตอนนี้กลับมาเกิดใหม่แล้วมันเคยเป็นกับมันเป็นตอนนี้มันคนละคนกันก็ยังไงเคยเป็นเศรษฐีแต่ตอนนี้เป็นขอทานมันไม่เลยมันไม่ทำให้เรากลับมาเป็นเศรษฐีหรอกเราก็ยังกลับมาเป็นขอทานอยู่ดีเพราออยากสมาธิมันก็ยังเป็นขอทานอยู่ดี แต่หลงไปแนละ้วหลงไปแค่ว่าตนเองเป็นเศรษฐีเป็นเป็นเจ้านายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอ่านี่คือเหตุที่ทำให้คนปฏิบัตินั่งสมาธิก็แล้วเป็นบ้ากันก็มีเคยได้ยินข่าวมีครอบครัวหนึ่งสามีภรรยากับลูกนั่งสมาธิจนไหนที่สุดก็ ฆ่าตัวตายแขนคอตายก่อนจะตายก็บอกว่าพวกตนไปถึงนิพพานแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไ ม, มความสุขของนิพพานมันยิ่งใหญ่กว่า อ, อันนี้ก็ถูกกิเลสบรนเหลาโดยไม่รู้สึกตัวคนที่เข้าไปนิพพานมีใครเข้าไปแขวนคอตายเนอะไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าพาระหลานตสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องแขนคอตายหรอกท่านมีความสุขปรมังสุขขัง ท่านจะไปฆ่าตัวตายให้เสียเวลาทำไมท่านอยู่ของท่านด้วยสติด้วยปัญญารู้ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นมายาหลอกใจเพราะท่านจะมีมาตรการทดสอบอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะเชื่อแบบตายใจเหมือนกับในฌานที่มีอ เล่ากันมาในวงการปฏิบัติมีพระอยู่สองสามรูปท่านไปเทิดดงกันในป่าแล้วเวลาท่านไปพักหน้าท่านก็ไปแยกที่พักกันอยู่ห่างไกลกันนิดหน่อยแต่พอส่งเสียงให้ได้ยินได้ให้ถึงกันได้เมอมีเหตุการณ์อะไรจะได้มาช่วยเหลือกันได้ก็มีพระรูปหนึ่ง น, น, น, นั่งสมาธิไปแล้วก็ปรากฏเห็นอะไรแปลกๆขึ้นมาก็เป่านกวีด บอกเพื่อนเพื่อนก็ตกใจอ่าเกิดอะไรขึ้นต่อเ mm hmm. ลยรีบวิ่งมาดูอันก็บอกว่าเรามรลุแล้วมาลู mm hmm. ้จากการที่ได้ไปเห็นอะไรต่างๆนั้น mm hmm. เพื่อนเพื่อนก็บอกเอบรรลุแบบนี้นล้ก็ดีอนุโมทนาสาธุ mm hmm. อันนี้มันเป็นแบบอ า, าลัยหันโลกวิถีอะ mm hmm. ก็แยกกันกลับไปภาวนาต่อเดี๋ยวอีกสักพักเต่าลูกวีถีอีกแล้ว ถ้าท่านก็คิดว่ามันตอนนี้มันถึงขั้นไหนแล้วก็กลับมาถามอีกปยังไงไปถึงขั้นไหนแล้วพอยังไม่ถึงขั้นไหนเลยเมื่อกี้มนันมันหายไปแล้วมันหลอกอ อ, อันนี้ก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติต้องระมัดระวังไม่ใช่ไปเชื่อไปหมดเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในสมาธิเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังเชื่อแบบ แบบเต็มร้อยอย่างเนี้ยไม่ไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกต้องใช้การรมสูตรอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นโดยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนี่เขาเรียกว่านิทานของพระพระอารหันต์ลูกวิชถ้าเป็นฟังเทศกุบาอาจารย์คงจะได้ยินนิทานเหล่านี้บ้าง ก็เป็นเครื่องคติสอนใจให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่าไปหมายมั่นอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปมโนโขึ้นมามการนั่งสมาธิเพียงครั้งเดียวบางทีจิตอาจจะรวมวัดหนึ่งขึ้นมาก็คิดว่าบรรลุปเป็นถึงนิพพานแล้วนิพพานแล้ว<ม>แต่มันก็อาจจะเป็นแค่คณิกสมาธิตัง้งงบชั่วขณะหนึ่ง<ม>ต้องดูต่อไปท่านนิพพานจริงมันต้องไม่ทุกข์กับอะไรมันต้องไม่อยากกับอะไร แ ต, แต่ท่านยังอยากอยากจะไปเล่าให้คนนั่นคนนี้เขาฟังว่าโอ้ยเราบรรลุถึงนิพพานแนะ่้อันนี้มันก็เป็นกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สักตัวคนที่ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงนี้มักจะเป็นคนปากเงียบไม่รู้จะไปบอกใครทําไมบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรจากการบอกเขาก็ไม่ให้อะไรเรากับเราไม่ได้แล้วถ้าเป็นของจริงเราก็ไม่ต้องการอะไรจากใคร ถ้าได้ของจริงแล้วมันอิ่ม ม, ม, มันพอมันสุกมันอยู่ในตัวไปพูดให้เสียเวลาเปล่าๆดีไม่ดีเขาอาจจะมองเราว่าเราบ้าก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อเราขึ้นมาเขาก็จะหาว่าเราบ้าขึ้นมาก็ได้ดังั้นมันมีแต่เสียเวลาที่จะไปเล่าอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจให้แก่ผู้อื่นฟังผู้ที่ปฏิบัติเวลาที่จะพูดอะไรต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าพูดไปแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อการพูด ไม่ถ้าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรก็อย่าไปพูดให้เสียเวลา<ม>พูดไปแล้วทําให้บางทีเขาอาจจะมาสงสัย<ม>ดีไม่ดีก็อาจจะถูกเขากล่าวหาว่าอุตริหรือเปล่าวดอุตริหรือเปล่า<ม>ทีนี้ก็ยุ่งเสีต้องไปพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเราเป็นจริงอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนี้ก<ม>็ไปพิสูจน์ก็ให้คนตาบอดอย่างเ้ยคนตาบอดพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่รู้อีก เรฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ที่มีเกิดขึ้นในตัวของเราจากการปฏิบัตินี้เราต้องเก็บเอาไว้ดีกว่าแล้วก็คอยสังเกต ด, ดูว่าในระยะยาวมันยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกมันดับไปหรือเปล่าเป้าหมายของการปฏิบัติเครื่องวัดการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือความทุกข์เนี่ยทุกข์ในใจเรายังมีอยู่หรือเปล่า เหตุที่สร้างความทุกข์ในใจเราคือความอยากยังมีอยู่หรือเปล่า mm hmm. ไอ้ตัวนี้นะเป็นตัวที่เราพระเจ้าทรงสอนให้เราเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติเนี mm ่ย hmm. อทุกข์ดับไปหรือยัง mm hmm. ตัญหาที่เป็นเหตุของความทุกข์มันดับไปหรือยัง mm hmm. มรรคที่ทําให้ให้ตัญหาหายไปทําให้ทุกข์ดับไปนี้มีอยู่ในใจของตนเองหรือยัง mm hmm. คือปัญญาสติปัญญาข<ม> อ, องเหล่านี้มันมีการพิสูจน์ได้มีการตรวจสอบได้มไม่ใช่อยู่เดลิโมเมขึ้นมาเพรอจิตเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยขึ้นมาก็ว่าไปแล<ม>้วบางสำนักก็บอกให้นั่งเพ่งไปดูลูกแก้วไปแล<ม>้วเดี๋ยวโสดาบันก็จะโผล่ขึ้นมามเดี๋ยวเพ่งต่อไปอีกเดี๋ยวสักกิดาคามีก็โผล่ขึ้นมาอกมีก อาาคามีก็ตามมาอารหันก็ตามมาด้วยการเพ่งรูกแก้วเพ่งอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกการเพ่งมันก็เป็นแค่การเจริญสตินะการเข้าสมาธิเท่านี้ถ้าการเพ่งเข้าเข้าสมาธิได้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คนในยุค ก, ก่อนๆที่พู้เจ้ามันตัดสั้นเขาก็นั่งเพ่งเขาเข้าฌานกันอยู่กันได้ทำไมเขาไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไง เพราะการจะเป็นพระเรี่ยะบุคคลนี้มันต้องไปอีกระดับหนึ่งขั้นสมาธินี่มันเป็นขั้นพื้นฐานเป็นขั้นสนับสนุนต้องมีสมาธิถึงจะมีพลังที่จะไปตัดสังโยชน์ตัวที่ผูกจิตให้วนว่าตายเกิดในในตายพบในสังสารวัฏได้สังโยชน์มีสิบสกกธิธสกายะทิฏฐิ ศีลพระตัปปะละมาสวิจิตกิฉานี่สามข้อแรกถ้าจะเป็นโสดาบันมันต้องละไอ้สามข้อนี้ให้ได้แล้วการเพ่งจิตเฉยๆเพ่งดวงแก้วแล้วจะทำให้โสดาบันโผล่ขึ้นมาเพ่งไปจนวันตายมันก็ไม่โผล่ขึ้นมามันต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สักไกยทิฐิคืออะไรความหลงผิดการไปเห็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นตัวเราของเราอันนี้ต้องใช้ปัญญาศึกษาวิเคราะห์ดูว่าร่างกายนี้มันเป็นเราของเราเป็นตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่เรามาจากที่ไหน mm hmm. เราถึงมากลายเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาต้อง mm hmm. ต้องศึกษาดูแล้วมันก็จะเห็นว่ามันมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นมันเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้ เรามันเป็นเพียงแต่ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณผู้ที่ไม่มีร่างกายที่ต้องการจะมีร่างกายพอพอ่อแม่เขาสร้างร่างกายขึ้นมาก็เลยไปขอขอเป็นสมบัติครอบครองเอาไว้ทันทีเท่านั้นเองแล้วร่างกายนี้มันเป็นยังไงเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีอะไรถึงจะเจริญเติบโ ต, ตมันก็ต้องมีธาตุสี่ดินน้นนำลมไฟ ต้องหายใจเข้าเนี่ยถ้าเอาธาตุลมเข้าด้วยการหายใจเอาธาตุน้าเข้าด้วยการดื่มน้ำดื่มของเหลวต่างๆเอาธาตุลบเอาธาตุดินเข้าไปด้วยการกินอาหารของที่เป็นของแข็งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายนี่ก็คือเป็นธาตุดินแล้วก็เอาธาตุไฟจากความร้อนของดวงอาทิตย์ร่างกายมันถึงจะเ จ, จริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับได้ มันจเจริญเติบโตเพราะธาตุธาตุาดินมันเป็นเราได้ยังไงธาตุน้ามันเป็นเราได้ยังไงพอมันผสมเป็นพอมันมันผสมมันก็มาเป็นอาการสามสิบสองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมันก็จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยผมก็ยาวขึ้นไปกระดู ก, ก็ใหญ่ขึ้นไปร่างกายก็จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ แต่มันก็อยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตล่างกายพอมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะไม่สามารถจเจริญต่อไปได้มันก็จะถอยกลับนะแทนที่จ ะ, จะเจริญ ม, มันก็จะเริ่มนับถอยหลังมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปเทียรเล็กเทียรน้อยอาการต่างๆของร่างกายก็เริ่มเสื่อมโทรมลงไปการทํางาน ของอ ว, วัยวะต่างๆก็อ่อนอ่อนประสิท ธ, ธ, ธ, ธิภาพลงไปก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของอ ว, วัยวะต่างๆจนในที่สุดอ ว, วัยวะต่างๆก็หยุดทํางานพอหยุดทํางานท่าที่เคยเข้าก็เข้าไม่ได้ละเคยเอาท่าลมเข้าไปด้วยการหายใจของปอดพอปอดหยุดทํางานท่าลมก็เข้าไม่ได้ ธาตุลมเข้าไม่ได้ธาตุน้ำก็ดื่มไม่ได้ธาตุดินก็กินไม่ได้ธาตุไฟก็ดูดเข้าไปไม่ได้มันก็มีแต่จะแยกตัวออกจากกันนะเวลาตายนี้สิ่งที่ไปก่อนเพื่อนก็คือธาตุลมร่างกายนี้ก็จะหมดลมหายใจตามด้วยธาตุไฟธาตุร่างกายที่เคยอุน่นเคยมีความร้อนอยู่ก็กลายเป็นร่างกายที่เย็นขึ้นมา ถ้าต่อไปถ้าทิ้งไว้ก็จะมีน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้าอะไรต่างๆไหลออกมาจนในที่สุดทั้งร่างกายก็จะแห้งกรอกลายเป็นโครงกระดูกเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ผุพังไปไกลายเป็นดินต่อไปแล้วเรามันอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราเรียกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ที่ความคิดเนี่ เราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่่งกายเดินไปนู่นเดินมานี่สั่งให้น่างกายกินสั่งให้นั่งกายดื่มสั่งให้รัางกายทาอะไรต่างๆนี่เราเป็นผู้สั่งถ้าไม่มีเรามากํากับร่างกายร่างกายมันจะไม่สามารถที่จะทำลายของมันเองได้เลยมันจะหายใจ เองไม่ ไ, มได้มันจะดื่มน้าเองไม่ได้มันจะทำอะไรเองไม่ได้ต้องมีใจเป็นผู้คอยกำกับคอยสั่งการใจนี่แหละคือผู้ที่มาหลงมายึดมาติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาที่ทุก ท, ที่ทรมานเพราะไม่อยากให้มันเป็นอะไรงไงไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มัน เป็นโรคอะไรต่างๆพอเป็นนายขึ้นมานี้ผู้ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายมันถึงแม้จะเป็นโรคแต่ตัวมันไม่ทุกข์ไม่มีความรู้สึกอะไรผู้ที่มามาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้ก็คือใจทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปทำตามความอยากของใจได้ใจอยากจะใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนีอ้อารมณ์ที่อยากจะไปเที่ยวนี้ไม่มีแล้วไปอยากจะไปก็ไปไม่ได้เพราะต้องอยู่กับเตียงบ้างต้องไปหาหมอบ้างไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงที่จะไปบ้าง ตอ น, นั้นความทุกข์ทรมารงก็เกิดขึ้นมาเลยเมื่อก่อนเคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขด้วยการทําตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ไปหามาได้อยากดูอะไรก็หามาดูได้อยากจะฟังอะไรก็หามาฟังได้แต่พอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องได้ใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วพอจะรู้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายนี่มันยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างสุดสุดขีดเลยก็ว่าไนดะ้พอเมื่อไม่มีร่างกายแล้วจะไปหาความสุขได้อย่างไรเพราะความสุขของใจนี้มันอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองที่เรามาเกิดกันก็เพราะว่าเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่เรายัางอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่น อยากจะสัมผัสกับพลทพะชนิดต่างๆอยู่มันก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเรามีแต่กระแสะวิญญาณที่เราส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ผู้รู้นี่มีพลความสามารถที่จะรับโลกเสียงกลิ่นรสผธพะจากร่างกายได้เพราะว่ามีกระแสะที่ส่งมา เาติดกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย<ม>เราเรียกว่าวิญญาณในขันห<ม>้าวิญญาณมีอยู่ห้าห้าช่องด้วยกันช่องตาช่องหูช่องลูช่องช่องจมกูกช่องลิ้นช่องร่างกายพอมีมีวิญญาณมาเกาะตามช่องเหล่านี้พอตาเห็นรูปปั๊บรูปมันก็จะวิ่งจากตาวิ่งเข้ามาทางทางวิญญาณเข้ามาสู่ใจทันทีพอ<ม> ตาเห็นรูปแป๊บ ร, ปรูปรูปนั้นก็จะวิ่งเข้ามาผ่านทางกระแสของวิญญาณวิญญาณก็จะส่งรูปนี้เข้ามาที่ใจใจก็จะใช้สัญญาความจําว่ารูปนี้เคยเห็นหรือเปล่ารูปนี้เป็นรูปของใครชื่ออะไรถ้ามันมีอยู่ในความจมําก็บอกอ๋อคนนี้ชื่อนั่นชื่อนี้ถ้าไม่มีอยู่ในความจำมันก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักนั่นั้นก็จะเกิดความ รู้สึกขึ้นมาเวทนาจเกิดขึ้นมาในใจพอเห็นลูกจำได้เป็นลูกที่ให้ความสุขกับเราเมื่อก่อนเช่นคนนี้มาทีลไรชอบเอาเงินมาให้เรื่อยพอเห็นแล้วมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอเห็นลูกปของอีกคนหนึ่งให้คนนี้มันชอบมาด่าเราเรื่อยชอบมาทวงนี้เราเรื่อยก็เห็นมันขึ้นมาก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดความทุกขใจขึ้นมา ท, ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอมันไม่อยากจะเจอทุกขเวทนามันก็เจอมันเพราะตัวที่มันสร้างทุกขเวทนาก็คือรูปรูปที่มันที่เราไม่ชอบรูปที่มันเคยมาสร้างความทุกขให้กับเรา น, นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อใจเราไปเอาวิญญาณไปเกาะติดกับตาหูจมูกเน้นกายตอนที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยตอนที่การประสมพันธุ์ของพ่อของแม่เนี่ย พ่อแม่เอาเชื้อของตนกับของแม่พ่อพ่อกับแม่เอาเชื่อมารวมกันเราก็เลยเอาวิญญาณของเราเนี้ยมาเกาะติดกับเชื้อนี้ให้เอามีสามส่วนมารวมกันมันก็ครบครบสูตรที่จะทําให้เกิดการปฏิสนธิเกิดการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นมามแล้วกอร่างกายออกมาจากท้องแม่ เราก็ใช้ตาดูสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็พลืงตาขึ้นมาโดยเห็นแสงขึ้นมาแสงนี่มันก็จะส่งไปที่ใจแต่ช่วงแรกๆแสงมันก็ไม่มีความความรู้สึกว่าดีหรือไม่ดีสุขหรือไม่ทุกข์เราก็จะรู้ไปเฉยๆมันก็จะรูปที่เราเห็นหรือเสียงที่เราได้ยินนรือกลิ่นที่เราได้ได้ดมนี่มันจะมี มีการที่จะทำให้สร้างเวทนาความรู้สึกขึ้นมาสามรูปแบบด้วยกันเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นเช่นเป็นภาพที่ให้ความสุขกับเรามาก่อนพอเห็นปั๊บก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาภาพที่เคยให้ความทุกขกับเรามาก่อนพอไปสัมผัสเข้ามันก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในใจ ภาพที่ไม่ได้ให้ความสุขเมื่อได้ความทุกข์กับเรามาก่อนมันก็จะไม่ให้มันก็จะให้ไม่ให้ความสุขไม่ให้ความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นเป็นการกลางไปเวทนาของเราเนี่ยความรู้สึกเนี่ยที่ผ่านาทางร่างกายเนี้ยมันอยู่ในใจมันมันร่างกายไม่ได้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ กับเวลาที่ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆแต่ผู้ที่ไปสัมผัสรับรู้เนี่ยก็คือใจแล้วพอรู้ว่าเป็นสุขก็เวทนาสังขารความคิดรุงแต่งก็เริ่มทำงานต่อเกิดความอยากขึ้นมนาะถ้าสุขก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆถ้าทุกข์ก็อยากจะให้เขาหายไปเร็วๆ แต่ถ้าอยากแล้วเกิดไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความเศร้าใจขึ้นมาอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจไม่ใช่เป็นทุกข์ของเวทนาะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาเราไปติดกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายอยู่กับเราไป น, นานๆพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ขึ้นมา ตัวที่ทุกนี้ไม่ใช่เวทนาทุกแต่มันตัวใจที่ทุบจากปัญหาความอยากเรียกว่าทุกในอริยสัจสี่อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคิดว่าร่างกายเป็นสิ่งที่เราดีแล้วจะต้องอยู่กับเราไปตลอด <S S S S เป็นของเราไปตลอดพอมองไม่เห็นอ น, นิจจังมองไม่เห็นไม่เห็นอ น, นิจจังมองไม่เห็นอนัตตาว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ความแก่ความเจ็บความตายคนที่จะเป็นโสดาบันได้ต้องมาแก้ตรงนี้ต้องมองให้เห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะโง่หรือจะฉลาดจะดีหรือจะชั่อร่างกายเหมือนกันทุกคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันแล้วก็จะต้องทุกข์ด้วยกันทุกคน ถ้าไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่คนที่มีปัญญาคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมาศึกษาดูความจริงของร่างกายของขันห้าของเวทนาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวจะไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้จะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้ จะให้มันไม่ตายก็ไม่ได้พอถึงเวลามันก็ต้องเป็นพอมันเป็นถ้ารู้ทันคืออย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้มันตายปล่อยมันไปก็ห้ามมันไม่ได้มันจะมันจะเป็นโลกนั้นโลกนี้ไปห้ามมันได้ที่ไหนมันจะเป็นก็เป็นไปถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปก็ได้แต่ก็ให้รู้ว่ารักษาไปมันก็แค่ชั่อ ชั่วเลื่อนเวลาของความตายไประยะหนึ่งท่านเองจะรักษายังไงหายอย่างไงเดี๋ยวมันก็มีโรคใหม่แล้วโรคเก่ากลับมาอยู่ดีเพราะในที่สุดมันก็หนีพ้นความตายไปไม่ได้ร่างกายของคนทุกคนในที่สุดมันก็ต้องเข้าสู่ความตายด้วยกันทุกคนนี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงพิจารณาวิเคราะห์ทรงเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยว เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติของดินน้ำลมไฟที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับความเจริญและความเสื่อมของมันไม่ได้ตอนที่มันจะเจริญจะไปให้มันไม่เจริญก็ไม่ได้มันก็จะเจริญไปพอเวลามันจะเสื่อมจะไปหยุดไม่ให้มันเสื่อมก็หยุดไม่ได้คนบางคนคิดว่าออพอเรา จเจริญเติบโตเต็มที่สวยเต็มที่หล่อเต็มที่แล้วขอให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดได้ไห ม, มนไม่ได้หรอกหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนเดี๋ยวก็กลายเป็นคนแก่หนังเหี่ยวหนังย่นไปอในที้สุดก็กลายเป็นซากศพไปถ้าไม่พิจารณาความจริงอันนี้มันก็จะหลงจะยึดติดจะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็เลยทุกข์เนี่ยทุกข์กับคันห้าทุกข์เพราะความอยาก ่คนที่ฉลาดเมื่อได้ศึกษาด้วยปัญญาปัญญาก็คือมักสนับสนุนด้วยสมาธิคืออุเบกขาพอรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากพอปัญญาบอกอย่าไปอยากถ้ามีสมาธิก็ก็หยุดความอยากได้ถ้ามีอุเบกขาก็หยุดความอยากได้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้เช่นญาติโยมตอนนี้มีปัญญารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ไม่มีอุเบกขาพอเป็นขึ้นมาปั๊บนี่ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีใจสั่นขึ้นมาทันทีกินไม่ได้นอนไม่อยไม่หลับขึ้นมาทันทีอันนี้เพราะไม่มีอุเบกขาเพราะไม่ฝึกสติไม่นั่งสมาธิกันมาก่อนแต่สำหรับคนที่ได้ฝึกสติได้นั่งสมาธิจนใจมีอุเบกขาแล้วนี่พอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายจะเฉยได้จะวางเฉยได้จะไม่ทุกข์ อันนี้แหละคือการเป็นโสดาบันมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่นั่งเพ่งแต่ลูกแก้วอย่างเดียวแล้วโสดาบันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเพ่งต่อไปสกิดาคาก็จะตามมาเพ่งต่อไปอนานคาเขาก็ตามมาเพ่งต่อไปอรหันต์ก็จะตามมาเพง่งบรรจนาภิรมย์ตายมันก็ไม่ตามมาหรอกเพราะมีคนเพ่งมาก่อนในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคนที่อยู่ในยุคก่อนที่พระเจ้ามาตัดชลุนี้เขาก็นั่งเพ่งกันนะ เขาก็เข้าฌานเข้าสมาธิกันสิ่งที่เขาได้ก็คือรูปฌปานกับวรูปฌานได้ความสงบในระดับต่างๆแต่ความสงบเหล่านี้ไม่ได้เป็นอริยมรรอริยผลมันเป็นฌานขั้นต่างๆที่เป็นที่ยังเป็นอนิจจังอยู่เป็นของไม่เที่ยงอยู่สามารถทำจิตให้สงบในระดับต่างๆได้แต่พอสติอ่อนกำลังลงก็ต้องถอนออกจากสมาธิมา พอถอนอากจากสมาธิมาพอสติอ่อนลงความสงบที่ได้จากกำลังของสติมันก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ต้องนั่งนั่งสมาธิใหม่ต้องเพ่งใหม่ถึงจะกลับเข้าไปได้ใหม่แต่การเพ่งเหล่านี้มันได้แต่ฌานได้แต่รูปฌานรูปฌานสี่กับรูปฌานสี่มันไม่ได้อะ เ, อเลียมักอะเลียผลมักสี่ผลสี่นิพพานเนี่ยมันคนละเรื่องกัน ถ้าไม่ศึกษาก็าจะไปคิดว่านี่แหละคือการบรลุมรรคผลนิพพานบรรลุด้วยการเพ่งเฉยๆอย่างเดียวให้มีสติเพ่งอยู่กับอะไรก็ได้จะเพ่งอยู่กับลูกแก้วก็ได้เพ่งอยู่กับยุกหนอพองหนอก็ได้และสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์รูปไหนจะสอนอย่างไรแต่การเพ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการนำไปสู่มรรคผลนิพพานมันเป็นเพียงตามไปสู่การ เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเข้าสู่อรูปฌานเข้าสู่รูปฌานเท่านั้นแล้วก็เป็นของชั่วข่าวพอกําลังเพ่งหมวดลงสติอ่อนลงจิตก็ต้องถอนออกมาออกจากสมาธิมาออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาความความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บมันก็ยังอยู่ในใจมันก็โผล่ขึ้นมาพอเห็นความแก่ก็ทุกข์ขึ้นมาเห็นความเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาเห็นความตายก็ทุกข์กขึ้นมาทันที จะแก้ได้ก็เพียงแต่เข้าสมาธิไปชั่วข่าวแต่มันก็ยังเวลามันจะไม่ได้อยู่ในสมาธิมันก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆพวกนี้เขาถ้าได้แค่นี้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เข้าฌานไปหลบไปแล้วเวลาตายก็ตายในฌานไปแต่พอกําลังของฌานเสื่อมลงกิเลสความโลภความอยากต่างๆมันก็ที่ยังมีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วมันก็จะดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่กลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการหาความสุขใหม่ต่อไปอันนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างละเอียดเนี่ยศึกษาแบบแค่นั่งหลับตาไปเพ่งไปแล้วทุกอย่างอยาตามมาเองเนี่ยมันเป็นเรื่องโมเมมันเป็นไปไม่ได้เรื่องของปัญญานี่มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เหตุและผลไม่ใช่อยู่ดีด บงคนก็คิดว่านั่งสมาธิจิตแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเองปัญญาไม่มีวันเกิดถ้านั่งสมาธิสิ่งที่จะเกิดก็คือฌานขั้นต่างๆรูปประฌานรูปประฌานอะไรนั้นเกิดได้แล้วก็อาจจะมีสมาธิแบบอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอันนี้ก็เกิดจากการเพ่งนี่แหละแล้วสิ่งที่ได้จากอุปจารสมาธิก็คืออภิญญา ความสามารถพิเศษเช่นสามารถระลึกชาติได้ถ้าได้ได้อุปจารสมาธิมันก็จะมีความสามารถจะระลึกชาติได้สามารถติดต่อกับกายเทปได้อยากจะติดต่อกับเทวดารูปไหนองค์ใดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าอยากจะติดต่อกับเทวดาที่เป็นหน้าของท่านท่านก็เรี้ยงญาตส่งหาจนเจอเจอก็ไปติดต่อกันไปแสดงธรรมสอน พุทธมารดาที่เป็นเทวดาเป็นกายทิพย์นี้ได้ให้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> ด้วยการใช้อุปจารสมาธิ <Yeah. S 1> คนที่เข้าอุปจารสมาธิไม่ได้นี่จะไม่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นความสามารถพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดกับนักปฏิบัติทุกคนในวงการปฏิบัติ yeah. อาจจะเกิดกับบางคนอาจจะไม่เกิดกับบางคนแต่มันมันเป็นสมาธิที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญปัญญาแล้วก็ไม่มี็ประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาถ้าไปติดสมาธิแบบนี้แล้วก็จะหลงหลงคิดว่านี่คือทางไปสู่มรรคผลผนิพพานก็จะไม่สนใจที่จะไปเจริญปัญญาพอเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที และวิธีที่จะแก้ความทุกข์ก็ต้องหลบเข้าไปในสมาธิเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะหลบได้ชั่วคราวหลบความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดมันก็หลบไม่ได้พอเวลาตายขึ้นมาเนี้ยมันความทุกข์มันอาจจะรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานได้ก็มีหรืออยู่ในฌานเดี๋ยวฌานมันเสือ่อมมันก็ต้องออกมาอยู่ดีนี่ ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ<ม>ที่จะสนับสนุนการส่งเสริมกันแต่ละอันมันมีหน้าที่ของมันศีลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดให้มีเวลาให้กับการปฏิบัติ<ม>ถ้าเราไม่ถือศีลแต่นี่เดี๋ยวเข้าเย็น ก, ก็กินได้เดี๋ยวอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ดูได้<ม>ถ้าเราเอาเวลาไปให้กับการกินการดูการฟัง ถ้าเราจะเอาเวลาที่ไหนมาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าอยากจะมีเวลาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิเราก็ต้องถือศีลศีลแปดกันนอกจากศีลห้าแล้วเพิ่มขึ้นอีกสามข้อศีลห้าก็มีไวเพื่อไม่ให้ไปทาบาปเพื่อจะได้ปิดประตูบายเพื่อที่ได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรด เ, เ, เป็นอสุรกายหรือไปนรกแต่ถ้าถือศีลห้าอย่างเดียวมันไม่พอ มันยังดูหนังฟังเพลงได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรได้อยู่มันก็จะไปกันเพราะามันไม่มีอะไรข้อห้า ม, มกิเลสมันก็ชอบของพวกนี้อยู่มันก็จะไปกันแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นความสุขชั่วคราวเราอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องมาหาเวลามาให้กับการปฏิบัติสติสมาธิ ถ้ามีเวลาปฏิบัติได้ก็ต้องยุติกิจกรรมทางกามารมณ์ไปต้องไม่ไปดูไม่ต้องไม่ไม่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนแทนที่จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็เอาเวลาไปเดินจงกมมนั่งสมาธิแทนแล้วไม่กินอาหารมากเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่อต่างความอยากกินพอระงับความหิวกินวันละมื้อก็พอ กินมากมันจะทำให้ขี้เกียจทำให้ง่วงนอนแล้วมันมันจะไม่อยากปฏิบัติแต่ถ้ากินไม่มากกินพอพอพอดับความหิวได้มันก็จะทำให้มีสติดีมีกำลังวังชาที่จะเดินยงกรมนั่งสมาธิได้เวลานั่งเวลานั่งสมาธิก็ไม่ง่วงนอนไม่หลับนะนี่ก็คือศีลนี่มีไว้เพื่อสนับสนุนการเจริญสมาธิ สมาธิที่ได้รับการสนับสนุนด้วยศีลนี้พุทธเจ้าบอกว่ามีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากก็คือมีผลมากนั่นเองถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติมากเพราะเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาเจริญสติได้มากนั่งสมาธิได้มากพอเราได้ปฏิบัติมากมันก็จะได้ผลมากนั่นเองจิตก็จะสงบมากสงบนานสงบง่ายจะมีอุเบกขาได้ได้มากได้นาน พอเวลาออกจากสมาธิมาใจก็วางเฉยไม่ถูกอำนาจของความโลภความอยากต่างๆฉุดลากไปสามารถเอาใจที่ว่างนี้จากความโลภความอยากนี้มาศึกษาปัญญาได้มาศึกษาความรู้ทางด้านปัญญาได้ปัญญาไม่เกิดจากการนั่งสมาธิสมาธิเป็นเพียงแต่ทำทำจิตให้พร้อมที่จะไปศึกษาทางปัญญาเพราะจิตที่มีความสงบมีอุเบกขา นี่มันจะไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆให้มาศึกษาความตายมันก็จะศึกษาให้พิจารณาอสุภะมันก็จะพิจารณาอสุภะให้พิจารณาโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะพิจารณาโรคภัยไข้เจ็บแล้วพอมันพิจารณาเข้ามากๆเข้ามันก็รู้เริ่เห็นความจริงว่าอ๋อร่างกายนี้มันหนีไม่พ้นเลยเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนแล้วก็จะเห็นทันทีว่าที่ทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตาย พอรู้ท่านี้ก็รู้ตัวปัญหาว่าตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายท่านั้นเองก็หยุดมันถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเราจะมีกําลังหยุดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิถึงแม้เรามาศึกษารู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็หยุดมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ เรายังไม่ยอมตายยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บอันนี้เท่าที่บอกว่าสมาธิสนับสนุนปัญญาสนับสนุนแบบนี้นคือปัญญาที่ได้รับการสนันสนบสนุนจากสมาธิจะมีอา น, นิสงส์มากจะมีพลังมากจะสามารถทำอะไรท่อนต่อไปได้ก็คือทำให้จิตดุดพ้นจากความทุกข์ได้จิตที่มีปัญญาเป็นผู้สนับสนุนนี้ จะหลุดพ้นจากความทุกโดยถ่ายเดียวเพราะปัญญาเห็นแล้วว่าทุกนี้เกิดจากตัรหาความอยากแล้วก็พอรู้ว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หยุดความอยากนี้ทั้งเองแทนที่จะอยากไม่แก่ก็ยอมแก่แทนที่จะอยากไม่เจ็บไข้ไม่ปวดก็ยอมเจ็บทํานไงล่ะมันจะจะยอมแล้วไม่ยอมมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีใช่ไหมถ้าไม่ยอมก็ทุกไปแบบเบาๆถ้ายอมมันก็ไม่ทุกอ S <S ทุกม่เหมือนไม่ต้องทุกสองเด้งทุกทุกเด้งเดียวก็พอทุกกายก็พออย่าไปทุกใจเลยนั่งกายจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปนั่งกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปนั่งกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปนัางกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ใจเฉยเฉยเสียมันก็จะไม่ทุกข์ใจที่มีปัญญาก็จะเฉยจะไม่มีความอยากไม่แ ก, ก่ไม่เจ็บไม่ตายใจที่มัมีสมาธิก็จะหยุดความอยากได้เนี่ยท่านถึงสอนว่าเนี่ยสัต ศีลสมาธ่ปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันศีลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นผู้สนับสนุนให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมันเป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติไม่ใช่มั่วกันไปนั่งหลับตาเพ่งดูอะไรแล้วก็พออะไรปรากฏขึ้นมาก็เชื่อตามที่คิดขึ้นม า, ท, าทันทีอ๋อตอนนี้เป็นโสดาแล้วป่านกหวิด บ, บอกเคลื่อนหน่อยตอนนี้ได้โสดาแล้ว อ่าเดี๋ยวพอนั่งสมาธิเดี๋ยวพอมีอะไรเข้ามาขย่าขวัญให้เกิดความกลัวขึ้นมาอ่ามันไม่ใช่อยู่่ะเดี๋ยวก็เปล่าน้องวีดบอกว่าเราไม่ได้เป็นแล้วมันหายไปแล้วะก่อนจะเป็นอะไรต้องพิสูจน์ก่อนเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นจริงเพราะความคิดหรือมันเป็นจริงเพราะความจริงมันมีความจริงมันมีสองอย่างการเป็นนี่มันเป็นเป็นได้สองอย่างเป็นเพราะเราคิดว่าเป็นหรือเป็นเพราะมันเป็นจริงๆมันต้องพิสูจน์ดูทิงเจอร์โล เอ่า น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้สั่งผู้สอนอะจะฉลาดขนาดไหนก็ตามทางนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนแล้วรับประกันได้ต้องหลงกันทุกคนหลงมากหลงน้อยท่านั่นเองแต่ต้องหลงแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์นี่ท่านค่อยบอกค่อยบอกลวกหน้าไว้ก่อนพอมาถึงจุดนี้จะติดตรงนี้นะจะหลงอย่างนี้นะ อ, ะ อ, ะอะมันก็เป็นอย่างที่ท่านสอนทุกอย่างพอมาถึงจุดนี้แป๊บอพอถึงจุด พอรักษาสินก็ไปติดศินโอ้ยต้องบริสุดพูดผ่องแต่ต้องอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยทำแล้วผิดศินออันนี้ก็เกินไปศินก็มีไว้เพื่อให้เราอไม่ไปทําสร้างความเสียหายโดยไม่มีความเจตนาทรานั้นถ้าเราทําผิดโดยที่ไม่มีเจตนาไม่มันไม่ถือว่าเป็นบาปบางคนว่าไม่ได้เหยียบมดก็ไม่ได้กวาดบ้านกวาดทัเราเจอมดหน่อยไปกวาดมันก็ไม่ได้เงมันจะไปทําอะไรได้อยังไงนะ สีมันก็ต้องรู้จากเหตุจากผลแล้วก็พอมาผ่านศีลมาก็มาติดสมาธินั่งสมาธิจิตสงบไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดทางปัญญาออกมาพอจิตใจวุ่นวายก็กลับเข้าสมาธิม่มันก็ติดอยู่ขั้นสมาธิไม่ไปทางปัญญาอพอมาทางขั้นปัญญาพอพิจารณาแล้วก็เห็นว่ากิเลสตัณหาเริ่มตายไปทีละตัวสงตัวก็ดีใจก็คิดใหญ่เลยพอคิดไปคิดมาก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีก ฉะนั้นเรียกว่าติดสังขารติดปัญญาติดความคิดคิดมากเกินไปพอใจเริ่มฟุ้งแล้วก็ต้องพักทางปัญญากลับมาเข้าสมาธิไปทุกขั้นทุกตอนนี่มันมีกับดักสาหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนแล้วรับประกันได้มันจะต้องติดกับดักของกิเลสนะกิเลสมันมีมีที่ดักดักดักพวกเราไว้เยอะทุกขั้นตอนเลยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยถูกมันจับมัน มันกักขังไว้มันไม่ปล่อยให้เราไปขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่าได้แต่ถ้ามีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนหรือเราปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจตรงไห น, นมีความมีความมีปัญหาติดขัดตรงไห น, นก็ไปเล่าให้ท่านฟังได้เอเ่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะบอกต้องแก้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้ต้องทำาอย่างนี้มันก็ผ่านไปได้ดังนั้นการปฏิบัตินี้มันต้องมีการศึกษาก่อน อริยะและ้วค่อยปฏิบัติแล้วถึงจะมีปฏิเวทแล้วต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริง <Okay. S 2> ผู้ที่ได้บรรลุแล้วนั่ะผู้เป็นพระอารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่จะเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ <Okay. S 2> ึงว่าจะเป็นพระโสดาบันก็รู้แค่ระดับของโสดาบัน <Okay. S 2> เป็นพระสกิราคารก็รู้แค่ระดับของพระสกิริาคารไม่สามารถสองสองขั้นที่สูงกว่านี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ถึงขั้นสูงสุดแล้ว ถึงจะสามารถสอนทำได้ทุกระดับได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่เราต้องมามีวันพระกันนี้เพื่อที่จะมาทําหน้าที่อันนี้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเ น, นื่องมันถึงจะมีการบรรลุธรรมขึ้นมาตามลําดับ ก็ขอฝากเรื่องวันพระนี้ให้ท่านไปพิจารณาถ้าวันนี้เป็นวันที่ท่านต้องทํางานก็ขอเปลี่ยนวันพระให้ไปเป็นวันหยุดทํางานถ้าหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์มาเป็นวันพระพอถึงวันวันหยุดทํางานก็ต้องเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมไปอย่างน้อยก็หนึ่งวันกําหนึ่งคืนถ้าทําอย่างนี้ทุกทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยจิตมันก็จะก้าวหน้าเจริญขึ้นไปตามลำดับ แต่ถ้าไม่มีวันพระไม่มีการปฏิบัติเลยเนีย่รับประกรันได้เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วมาเจอพระพุทธศาสนาแต่จะไม่ได้สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เลยเพราะเราไม่ทำตามที่พทะเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองไม่มีวันพระชาวพุทธเราทุกคนต้องมีวันพระมีวันที่มาทาหน้าที่พัฒนาจิตใจของเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาลิวาหาปุราปรลิบุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานนังอุปกะปิติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตะวันตาลายุสุขีทิขายุโกภวะอภิวาตานสิลิสะนิจังวุธาปจายโน ตารธุธรร ม, มวทานติอายุวนันสุขภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถาม <c oughs> ก็เป็นช่วงที่สะดวกที่สุดก็คือช่วงนี้ถามได้คําถามที่ต้องการจะถาม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 32ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ388ท่านทาง y o u t u ดรวี58ท่านพิทยุออนไลน์10ท่านครับเฮาส์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ167ท่านรวมทั้งหมด 1,061 ท่านครับอท่านครับเชิญถามได้เลยถ้ามีคำถาม ขอบช่วยครับดังๆเหมือนกันครับขอบขอคครับท่านพระอาจารย์ อพอดีว่าแต่ก่อนพระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเกิดมีรายงานปฏิบัติหรือว่ามีความก้าวหน้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นความก้าวหน้าหรือเปล่าหลังก่อนหน้านี้ผมนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ได้เข้าคอร์สสามวันไปพิจารณาเวทนาครับแล้วก็ตอนเขาสอนว่าให้พิจารณาวันแรกเขาให้ให้นั่งสมาธิประมาณแปด10ิบชั่วโมงครับแล้วก็วันที่สองเขาให้พิจารณาจากขัวถึงเท้า พอผมไล่จากหัวลงมาเท้าถึงปลายเท้าปุ๊บมันมันร่างกายหายไปครับแล้วก็ตัวเวทนาที่เราเคยเพิจารณาอยู่ครับมันแยกกับร่างกายเห็นร่างกายเป็นเป็นเหมือนกับเป็นดินนะครับแล้วก็เวทนามันแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งส่วนตัวที่มันดูมันอยู่ข้างบนแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลอยขึ้นนะครับแต่ผมกลัวก็เลยถอนจิตออกมาครับ ถ้าถ้าอยากจะสอบถามนะครับว่ า, าสิ่งที่ผมเห็นอย่างนี้คือเป็นการแยกธาตุแยกขันใช่ไหมครับคือการที่จะแยกเวทนาเนี่ยมันต้องใบพิจารณาทุกเวทนาครับืออาการเจ็บปวดของร่างกายเช่นนั่งแล้วเกิดอาการเจ็บอย่าไปขยับอย่าไปลุกให้ใช้ปัญญาพิจารณามืนว่ามันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันเป็นตัวเรานะมันหรือไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เราสั่งได้หรือสั่งไม่ได้มันทำให้เราทุกข์หรือไม่ยังไงต้องเห็นตายรักในทุกขเวทนาเราต้องพิจารณาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาสั่งให้มันหายเจ็บมันก็ไม่ยอมหายเจ็บถ้าไปอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ในใจก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปครับให้มันหายเองไม่ใช่ไปสั่งให้มันหายแล้วไปทำให้มันหายเช่นขยับเปลี่ยนดิฎยาบุตถ้าทำอย่างนี้ก็ยังมาเสว่ายังยังไปอยากให้มันหายอยู่เราต้องไม่อยากให้มันหายเราต้องปล่อยให้มันหายเองมันมาเองได้เดี๋ยวมันก็ไปเองได้ถ้ามันไม่ไปเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ อันนี้ต่างหากเป็วิธีพิจารณาทุกเวทนาอเวทนาอย่างอื่นนี้ไม่สําคัญเวทนาที่ที่รู้สึกตรงนู้นตรงนี้แบบเบาๆค่อยๆไม่มีปัญหาอะไรหรอก ค, รคือเวลาเจ็บท้องปวดท้องปวดฟันขึ้นมาเนี่ยเราทาไงทาให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าทําให้เรายิ้มกับมันได้หรือเปล่าเพราะ น, นั้นแหละคือวิธีพิจารณาแยกใจออกจากขันทุกขเวทนาก็เป็นขันเป็นนามขัน มันรูประขันเพราะมันเป็นร่างกายถ้าเป็นเวทนาขันมันก็เป็นนามขันมันยากขัดแยกธาตุแยกขันต้องแยกตัวตรงที่ตัวทุกขเวทนาถึงจะเห็นชาติมันได้แยกจริงหรือเปล่าได้ปล่อยวางหรือเปล่าเอาไปดูเวทนาที่ไม่มีไม่มีความรุนแรงแล้วเราก็ปล่อยได้เฉยได้แต่พอมนเจอความทุกข์เนี่ยที่เกิดเวลาไปถอนฟันแล้วปวดฟันยังไง หรือูซิว่าเราจะเฉยกับมันได้เปล่าบางทีก็เฉยได้บางทีก็ไม่ได้อนนขึ้นอยู่ครับเ้าหมายก็ให้มันได้ให้มันเฉยได้มไม่ได้ไปไม่ได้ไปกําจัดให้เวทนาหายไปไม่ได้มีเป้าหมายตรงนั้นเป้าหมายให้มันความทุกข์ใจหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เวทนามันหายไปเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวปัญหาครับครับขอบคุณครับแต่ผมอายพอดีอยากสอบถามอีกทีนหนึ่งคือก่อนหน้าเนี้ยผมเคยคิดว่าเวทนามันอยู่ในกาย แต่จิงๆเราพอเห็นสภาวะแบบนี้ก็เหมือนกับมองว่าเวทนามันจริงๆมันคืออะไรอ่ะครับเวทนาทางกายอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอยู่กับร่างกายแต่จริงๆพอสิ่งที่ผมเห็นมันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่บร่างกายอะครับคือเวทนาความรู้สึกมันอยู่ในใจรเราแต่มันมีจุดเริ่มต้นที่ร่างกายที่เราเข็มไปทิ่มร่างกายเนี่ย พอเข็มมันทิ่มร่างกายวิญญาณของใจก็ไปรับความเจ็บมาให้ใจให้รับรู้พอใจรับรู้ว่าเป็นข็มแท้เป็นความเจ็บมันก็เลยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันเกิดขึ้นในใจเวลาไม่มีใจนี่เอาเข็มไปทิ่มร่างกายร่างกายมันไม่สะดุ้งหรอกใช่ไหมคนตายนี่หมอเอามีดไปผ่าชันสูตรสพอะไรนั่างกายมันไม่มีความเสื่อมอะไรแต่ถ้ายังเป็นคนยังเป็นคนเป็นอยู่ยังมีจิตอยู่นี่ เราไม่ผ่าตัดดูเถอะถ้าไม่วางยาสลบทุกผ่าไม่ได้เราจะดิ้นอ่งน้ตัวที่ดิ้นก็คือใจไม่ใช่ร่างกายครั บ, รบขอบคุณครับแล้วอย่างนี้ผมปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปอได้ปฏิบัติ ใ, ให้ใจให้นิ่งครับเมื่อร่างกายเป็นอะไรให้เฉยให้ได้อย่าไปทุกข์กับมันครับครั บ, รบขอบพคุณครับามีโยม เ, เดินมาอะ่าถามเพื่อนเพื่อนเข้ามาได้เลยนะห้องตรงนี้ก็ได้ การนมมัสรรการเจ้ า, าค่ะพอดีว่าจะสอบถามค่ะคือเคยปฏิบัติอะค่ะกำลังจะเดินไปขึ้นไปที่บนออฟฟิศที่ทางานนะคะแล้วตาที่มองไปเหมือนทางอะค่ะกลับย้อนมาเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกอะค่ะตาบวบแล้วก็มีร่างกายเป็นแบบกระดูกโครงเคีงไปเป็นท่อนบนนะคะชิ้นส่วนของเราอะค่ะเดินโครงเคีงแต่ตาบวบะค่ะ ในขณะนั้นลืมตาแล้วมีสติอยู่อะค่ะก็พิจารณาไปว่าเอ๊ะนี่คือร่างเราหรอแต่ว่ากําลังเดินเดินขึ้นออฟฟิศอะค่ะมันเกิดในช่วงเวลาแป๊บหนึ่งอะค่ะเอ่ออันนี้มันเป็นลักษณะคือเราพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะก็ถามว่าเรามีกระนูกกระดูกตามที่เราเห็นหรือเปล่ามีค่ะก็มีแล้วร่างกายคนอื่นมีหรือเปล่ามีอ่าก็พยายามลองให้เห็นทุกคนว่ามีโครงกระดูกด้วยกันเหมือนกัน จะได้ละงาความหลงว่าสวยว่างามว่าหล่อว่าน่าดูหน้าชมที่แท้ก็เป็นโครงกระดูกคุ้มหอด้วยเนื้อกำหนังทั้งเองจึงทำให้เรามองไม่เห็นเราต้องการเห็นความไม่สวยงามของร่างกายต้องการเห็นคนความเห็นาการภายใต้ผิวหนังของร่างกายจะได้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามจะได้ไม่ไปหลงรักเขา อันนี้คือการพิจารณาอสุภะปะค่ะนี่แหละอสุภะแล้วมันมีเหตุการณ์หลังจากนี้ต่ออีกไม่นานนะคะก็คือกำลังกลับบ้านแล้วค่ะแล้วกำลังจะเดินไปทานทานอาหารนะคะก็เห็นอีกว่าตัวหายไปเลยอะคะอ่ะแล้วก็มีดวงจิตสี ข, ขาวๆลอยอยู่แล้วก็มีเป็นกระดูกอะค่ะเป็นกระดูกที่ติดติดเลือดแล้วก็มีกองเลือดแล้วมีกองหนองอะค่ะในสภาวะนั้นก็ ก็มีสติขึ้นมาว่าเราตายแล้วหรออในขณะเมื่อกี้เราเพิ่งเดินอยู่เราตายแล้วหรอในวิธีนั้นนะคะพอสติมาปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่อะค่ะแล้วก็ดวนจิตเรามันรวมกลับมาเป็นตัวเราเหมือนเรามีสติขึ้นมาค่ะอันนี้คือมันเป็นลักษณะคืออสุภัสเช่นกันใช่ไหมคะใช่มันเป็นธรรมที่เราเคยพิจารณามาก่อนแล้วพอจิตมันนึกถึงมันขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาได้ เราต้องนึกบ่อยๆเพราะให้มันเตือนสติเราว่านี่คือจุดหมายปลายทางของร่างกายของเราทุกคนถ้ามันไม่ได้ยึดติดกับมันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเรามีแต่หน้าที่เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับความจริงเท่านั้นเพื่อใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันแล้วคือท่าที่เราเห็นอันนี้ยมันคือเรียกว่าเป็นธรรมทา่าคือท่าที่ทําให้เป็นธรรมกับเราใช่ไหมคะ <c oughs> ท้ามาทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวความตายมันก็เป็นปัญญาทำก็คือปัญญาเราต้องการปัญญาต้องการมองเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่สวยงามต้องตายกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครของเราก็ดีของคนที่เรารักก็ดีต้องเป็นเหมือนกันหมด ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะเฉยเฉยไม่ทุกข์กับมันแล้วมันมีต่อจากนั้นเองค่ะอาจารย์ร่างกายมันจะแบบเหมือนกลางคืนนะคะเรานั่งสมาธิเสร็จเราก็หลับเงะะี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นกายทิพย์ออกไปอะคะ่ะเรายืนมองล่างอยู่เป็นผักใหญ่เลยอะคะ่ะแล้วก็มีอียะคะ่ะนอนอยูะคะ่ค่ะแล้วก็เหมือนหลับตาแต่ว่ามันไม่ได้นอนอะคะ่ะคือ เหมือนตาเห็นข้างนอกออกไปหมดเลยอะคะ่ะทั้งอยู่ประมาณสามเดือนนะคะที่เป็นแบบเนี้ยคะ่ะก็รู้เฉยๆไปค่ะ <Okay. S 2> พิจารณาว่าเป็นตายนักไปค่ะ <Okay. S 2> ไม่เทีย่ยง mm hmm. เกิดแล้วก็ดับไปค่ะ <Okay. S 2> อนัตตาเราควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ mm hmm. มันจะเกิดก็เกิดมันจะไม่เกิดก็ไม่เกิดค่ะ <Okay. S 2> อย่าไปยึดไปติดกับมันค่ะ <Okay. S 2> เราใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันค่ะ <Okay. S 2> ถ้ามันเอามาใช้ให้เกิดปัญญาได้ก็เอามาใช้ ค <Okay. S 2> ถ้าไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไม่เกิดปัญ ญ, ญาก็ปล่อยมันผ่านไปแค <Okay. S 2> ่านั้นเอง <Okay. S 2> เพราะจิตเราสามารถใช้เรื่องราวต่างๆให้เราเห็นได้ออื mm hmm. มันเราสะสมอะไรต่างๆมาหลายภพหลายชาตินะมันฝังอยู่ในจิตเราพอแล้วจิตเราสงบบางทีเรื่องราวต่างๆนี้มันก็โผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้ได้แต่ oh. เราต้องฉลาดต้องรู้ทันว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา แต่ถ้ามันเอามาสอนใจให้เราดับความทุกข์ได้ก็เอามาใช้ได้ถ้าเห็นโครงกระดูกก็เอามาใช้ได้พยายามมองทุกคนว่ามันมันก็แค่โครงกระดูกเท่งนั้นเราจะได้ไม่เป็นหลงนักไครค่ะได้จัดค่ะอาจารยมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนนากุติเจ้ค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติจากคารวะ ส, สู่สมณเพศพระอาจารย์ปงทุระอย่างไรจัดการชีวิตอย่างไรจึงตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้มีสัญญาณอะไรที่บ่งชี้ว่าเราไม่สามารถอยู่ในเพศคารวะได้แล้วขอความเมตตาเป็นธรรมทานด้วยเจ้าค่ะก็เห็นความสุขจากการทําใจให้สงบเนี่เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจ แล้วก็เห็นความทุกข์ความวุ่นวายใจของการอยู่แบบคารวาะมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆมีแตงเรื่องต้องต้องคอยคอยแก้ปัญหาต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆช<ม>่ไปอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่า<ม>ก็ไปบวชได้ต้องเห็นความสุขก่อนต้องเห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิก่อนแม้จะเป็นแค่คนันธิกะสมาธิก็ก็พอเพียงมันจะเป็นเหมือนหนังตัวอย่าง เวลาเราเห็นหนังตัวอย่างที่น่าดูเนยโอยแล้วนั่งรอนั่งคอยเมื่อไหร่มันจะมาทักทีวะพอเราได้สัมผัสกับความสงบจากความสุขจากความสงบแม้แต่เป็นชั่วขณะหนึ่งมันก็จะทําให้เราอยากจะให้มันสงบมากขึ้นบ่อยขึ้นเราก็รู้ว่าเราต้องปฏิบัติมากขึ้นเพราะเราต้องปฏิบัติมากขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนเพศจากการเป็นค า, ารวะเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพแทนที่จะไปหาเงินหาทองก็มาหาสติหาสมาธิแทนเท่านั้นเอง จากค่าจากยูทูบถ้าจิตชอบคิดเรื่องไร้ไร้ลบลบจนอาจลบลู่พระไตรักจะต้องทําอย่างไรจะหยุดคิดได้ค่ะก็จะเริญสติบ่อยๆพุทโธบ่อยๆพอเกิดความคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมียวความคิดไม่ดีก็จะหายไปแล้วก็สอนใจว่าอย่าไปคิดแบบนี้คิดแบบวันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดโทษเกิดความเสียหายกับตัวเราไปเปล่าๆนี่คือปัญญา แต่ก่อนจะสอนสอนได้ปัญญาด้วยปัญญาได้ต้องทําให้มันหยุดก่อนหยุดด้วยสติก่อนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปพอมันหยุดคิดเรื่องไม่ดีแล้วเราก็มาสอนต่อไปนี้อย่าไปคิดในเรื่องอย่างนี้ไม่ดีมันก็สอนเด็กเด็กทําอะไรไม่ดีเราก็สอนเขาอย่าทํานะอย่าทํานะเราอาจจะตีเขาหน่อยเพื่อเป็นการสั่งสอนต่อไปเขาจะได้จำได้เขาได้รู้ว่าทําอย่างนี้ไม่ดีเขาจะได้ไม่กล้าทําต่อไปจิตของพวกเราก็เป็นเหมือนเด็กๆเนี่ย ชอบคิดปในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็ต้องสอนว่าอย่าไปคิดหยุดคิดเราต้องหยุดคิดให้ได้ก่อนแล้วก็สอนว่าอย่าไปคิดทางนี้นะไม่ดีต่อไปมันก็ไม่กล้าคิดเองเจ้าค่ะจากคุณหนึ่งหรือไทย ขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะเวลาที่นั่งสมาธิหรืออยู่ในที่เงียบได้ยินเสียงในความเงียบเช่นเสียงเหมือนแมลงหรือการรับรู้การเต้นของหัวใจผิดทางสำหรับการเจริญภาวนาไหมคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะการเห็นการรู้เหล่านี้ไม่ผิดหรอกแต่การปฏิบัติกับมันอ่ะต้องไม่ไปสนใจมันต้องให้กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธอยู่การภาวนาของเรา ถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้การดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้เจ้าค่ะจาก Facebook เจ้าค่ะรพระอาจารย์พรมลิขิตเนื้อคู่ในทางพุทธศาสนามีหรือไม่เจ้าค่ะขอพระอาจารย์แนะนําเจ้าค่ะศา ส, สนาพุทธสอนแต่กรรมลิขิต การกระทำของเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงเกตให้เราไปดีไปไม่ดีได้สิ่งที่ดีแล้วได้สิ่งที่ไม่ดี mm hmm. อยู่ที่การกระทำของเราทำบาปทำผิดกฎหมายสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือคุกตารางหรือนรกหลังจากที่ตายไปแล้ว mm hmm. ถ้าทำดีก็จะได้ความสุขได้ได้สวรรค์เป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปแต่ mm hmm. เรื่องที่จะไปกำหนดว่าจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนหรือว่านี่มันไม่มีในคาสอน อาจจะได้อาจจะไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มันมีเหตุหลายปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีมีปัจจัยพร้อมเท่ากันเป็นมีศีลเท่ากันมีทานเท่ากันเงี้ยโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเนื้อคู่ต่อกันในภายหน้าก็มีเจ้าคะจาก facebook ปมในใจที่ฝังมานานทํายังไงก็ตัดไม่ได้ครับความรู้สึกผิดผูกพัน ก็ไม่ต้องไปตัดมันถ้ายังตัดไม่ได้ก็อย่าไปสนใจ ม, นนมันท่านเองเวลามันโผล่ขึ้นมาก็เราก็เข้าหาพุโทโธพุโทโธแทนแต่เจ้าค่ะจากเฟซบุกเจ้าค่ะพระสายวัดป่ากับพระสายวัดปกติพระวินัยต่างกันอะไรบ้างครับ อ, อ๋อศีล227เหมือนกันต่างที่การปฏิบัติทุดดงชาบ้านมักจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติทุดดงเขวัดเช่นฉันมือเดียวฉันด้บาท แต่ถ้าภาพป่านี้จะจะเถือกริดเหล่านี้จะชันในบาจะชันมือเดียวเป็นต้นผิดกันตรงนี้เป็นเป็นสินพิเศษไม่ใช่เป็นสินสองอยีิบเจดทดงสิบสาข้อนี้เป็นสินเป็นสินแบบสมัครใจจะจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ เจ้าค่ะจากคุณยุย้ยน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการทําบุญคนหนึ่งอธิฐานคนหนึ่งไม่อธิษฐานจะได้บุญคุณลเท่ากันไหมคะได้เท่ากันเพราะว่าความจริงทุกไม่มีใครไม่อธิษฐานหรอกถ้าเราเข้าใจความหมายของอธิฐานอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอถ้าอธิฐานแบบขอนี้ขอไปจนันตายก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําเหตุที่จะทําทให้มันเกิดผลขึ้นมา อธิษฐานในหลักสองศาสนาพุทธนี้แปลว่าความตั้งใจ <S <S 2> <S 2> <ะ>ก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องเราต้องคิดเราต้องตั้งใจก่อนใช่วันนี้จะมาที่นี่ต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าวันนี้จะมาเนีแ่ยบบการที่คิดว่าเราจะมาที่นี่ก็เป็นอธิษฐานะแปลว่าความตั้งใจตั้งเป้าหมายของการกระทำแปลว่าอธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้ ง, ต, งตั้งอธิษฐานสัจจว่าจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดชั่วอันนั้นก็เป็นอธิษฐานแต่ไม่ได้นั่งเพื่อให้ขอให้ได้ตัดรู้ว ท่านขอนั่งปฏิบัติแล้วการตัดสินุที่เป็นผลมันจะตา ม, มาเองแต่แค่นั่งขอทําบุญทําทานแล้วขอให้ไปนิพพานเนี่ยขอไปจะมันตายก็ไปไม่ได้เพราะการทําทานไม่ได้เป็นเหตุที่จะไปให้ถึงพระ น, นิพพานได้เหมือนตีตั๋วไปไปชนบุรีแล้วอยากจะนั่งรถไปถึงกรุงเทพเนี่ยไปก็ไปไม่ได้ถึงชนบุรีก็ไล่เร า, ล, า, ล, าลงนะถ้าอยากจะไปกรุงเทพก็ต้องตีตั๋วที่ให้เรานั่งไปถึงกรุงเทพได้ การขอสิ่งเง้นสิ่งนี้จากการกระทํำนี่มันมันได้บางทีก็ได้ถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลถ้ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันก็จะไม่ได้แต่ทุกคนเวลาจะทาําอะไรนี่ต้องมีอธิษฐานทําตามหลักศาสนาะก็คือความตั้งใจก่อนตั้งเป้าหมายก่อนวันนี้จะมาวัดวันนี้วันพระจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ตั้งใจไว้เดี๋ยวเกิดถึงเวลามีคนชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ แต่ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็อาจจะบอกเสียใจตอนนี้เราจองจองวัดมาเป็นที่จุดหมายปลายทางแล้วไม่ไปที่อื่นแะ้เราก็จะได้มาตามที่เราตั้งใจได้เจ้าค่ะจากคุณสิริการน้อมกลับในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะในขณะที่นั่งสมาธิแล้วเกิดเหน็บชาปวดขาสภาวะ น, นั้นให้อดทนนั่งห้ามขยับหรือสามารถขยับได้คะ ไม่ขยับไม่ต้องไม่สนใจให้อยู่กับพุทธโธถ้าเราใช้พุทธโธถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมถ้าอยู่กับลมไม่ได้มันจะไปคิดถึงความเจ็บก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธโธแทนบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทโธฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทธโธอย่าไปสนใจอาการเจ็บถ้าเราอยู่กับพุทธโธเดี๋ยวใจเราจะเย็นจะสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย เจ้าค่ะจากคุณธรรมราเจ้าค่ะขอโอกาสถ้าเรานรําเศษผ้าที่เหลือจากที่ใช้งานแล้วนํามาซักล้างแล้วตัดเย็บด้วยมือทําเป็นผ้ากรองน้ําถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้จะถือว่าเป็นของปลายนิไหมครับเพราะเก็บเศษผ้าเหลือมาทําก็เป็นของปลาณนิดหรือเปล่าของเก่ามาไม่เห็นคําถามเห็นจะต้องมาถามเลยปลาณนิดไม่ปลาณนิดก็ไม่สําคัญ งามว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าของใช้ได้ไมันเป็นประโยชน์ก็ใช้ก็ถวายไปถ้าให้ของที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้ไม่ได้ก็อย่าไปให้เจ้าค่ะจากคุณมานะกราบสอบถามพระอาจารย์ครับธรรมดาใส่บาตรตอนเช้าเสร็จแล้วก็จะกรวดน้ำให้ผู้เสียชีวิตแล้วถ้าตอนเย็นเราให้ข้าวขนมกับคน ทั่วไปเราสามารถกดน้ําให้อีกได้ไหมครับกับคุณพระคุณครับได้เป็นการทําบุญเหมือนกันให้พระก็เป็นการทําบุญให้กับคนที่ไม่ใช่เป็นพระก็เป็นการทําบุญเหมือนกันให้ข้าวหมาก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเจาค่ะจากยูทูบเจ้าะจะมีอุบายอะไรที่ทําให้ขยันภาวนามากๆค่ะก็ให้คิดถึงความตายว่าเราจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราไม่รีบภาวนาเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาได้ภาวนา ตอนนี้มีลมหายใจอยู่นี่ภาวนาเสียเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะพรุ่งนี้จะอยู่ต่อไปได้หรือไม่แม้แตบบ่บริษัทประกันชีวิตเขาเขาก็รับประกันชีวิตเราไม่ได้เพราถ้า ซ, ซื้อประกันชีวิตได้แล้วจะอยู่ไปถึงร้ปีก็น่าจะซื้อนะแต่มัไม่ได้ประกันชีวิต มันประกันค่าเสียหายที่เกิดจากการตายถ้าตายมีค่าชดเชยมีเงินให้คนที่อยู่เขาได้อยู่ต่อไปได้มีเงินใช้ต่อไปท่านเองแต่ไม่มีใครประกันชีวิตได้ฉั้นเราต้องนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเราอาจจะตายได้ทุกเวลานาทีเราจะได้ไม่ขี้เกียจเราจะได้รีบทํำหน้าที่ของเราให้ถึงพร้อมก่อนที่จะสายเกินไปเจ้าค่ะจากคุณอาอิบาานบิว <c oughs> กราบเรียนถามครับเหตุใดจิตในฌานจึงไม่สามารถพิจารณาทมได้เลยรู้สึกเฉยไปหมดทุกเรื่องไม่เหมือนตอนสมาธิธรรมดาครับถ้าจิตสงบเต็มที่มันก็พิจารณาไม่ได้มันไม่คิดแล้วยังไปพิจารณาได้อย่างไรควาคิดหยุดคิดมันว่าพิจารณาไม่ได้ถ้ายังคิดอยู่ก็ยังพิจารณาได้อยู่ถ้าพิจารณาได้ก็แสดงว่ายังไม่เป็นสมาธิใชค่ะ ทำอย่างไรจึงจะประคองความสงบให้ได้งานที่สุดค่ะความอนะสงบเลต้องใจสตนะิต้องมีพุโทโธพุโทโธคอยกากับใจอยู่เรื่อยๆยหรือการดูลมหายใจเข้าออก<ป>หมดแล้วนะคำถามสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ